168ความจริงที่ประกอบด้วยอาธิปไตยกับปุตตะแต่ถ้ายังไม่บรรลุธรรมะถึงอย่างน้อยดังกล่าวแล้วก็ไม่ควรนำคำว่าธรรมกายไปเรียกตนเองอย่างพร้อยๆไร้ความเป็นจริงมั่นหลอกลวงคนเขามันบาปคำว่าอยู่เหนือโลกมีปัญญาเป็นโ ร, ตรุตะ มีภูมิอยู่เหนืออัตตาเหนือโลกมีปัญญาเป็นโลกุตระนั่นคือผู้มีปัญญาถึงขั้นอุตระซึ่งเกิดปัญญาด้วยองค์ธรรมหกพระไตรปิฎกเล่มสิบสี่ข้อสองห้าสิบแและเป็นผู้มีสติคือความรู้ตัวหรือความรู้สึกตัวถึงขั้นเป็นพลังงานตื่นเต็มบริบูรณ์ทั้งภายนอกทั้งภายใน จึงมีฤิษย์มีอํานาจมากอํานาจครบครันทั้งปริมาณ Quantity ทั้งคุณภาพ Quality อำนาจหรือพลังงานนั้นก็คืออธิปธัยผู้มีคุณธรรมที่ว่านี้มาเต็มๆชื่อว่าเป็นผู้มีธรรมมาธิปธัยคนแต่ละคนกว่าจะทําตนให้มีกาย องประชุมของรูปกับนามเป็นธรรมะความจริงหรือเป็นพรหมบริสุทธิ์สะอาดจึงต้องปฏิบัติอย่างสัมมาทิธิและอยู่กับโลกแห่งความจริงเท่านั้นจึงจะปฏิบัติจนบรรลุความจริงและทำความบริสุทธิ์สะอาดได้จริงแท้ส่วนผู้ที่เพอพกอยู่กับวิมานหลับตาเข้าไปฝันเป็นตุเป็นตะในพระวงัง จมอยู่กับอดีตอนาคตอย่างไม่รู้ตัวแม้แต่หลงว่าเป็นปัจจุบันนั้นก็คือคนที่อยู่กับความโพ้พกไปตลอดกาลงมงายอยู่กับฝันที่ตนหลงเองงมงายเองไปเท่าที่ยังไม่พ้นอวิชชาที่จมไปกับความเป็นอัตตาเพราะยังไม่พ้นความเป็นอัตตาสาม ก่อนพระพุทธเจ้าจะประกาศธรรมมของพระองค์สังคมยุคนั้นจมอยู่แต่กับโลกฝันดังว่านี้ทั้งนั้นที่พระพุทธเจ้าประมวลความหลงฝันออกมาได้ถึง6 2ทิบทิฐินี้แหละคือทิฐิของคนทั้งหลายยุคนี้ทุกวันนี้มันกลับไปหลงผิดอย่างเก่าเหมือนอย่างก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติอีกแล้ว มันวนกลับไปเป็นผิดจากความรู้ของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงประกาศไว้ตั้งกว่า 2,600 ปีวนกลับไปหลงฝันอย่างเดียวกับยุคก่อนพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมาประกาศความจริงกลับไปอยู่ในฝันเหมือนเดิมวนไปหลงฝันอย่างเก่าแล้วเป็นโลกที่ไม่มีโรกตะลัเป็นแค่โลกปุตรชนคนโลกี